เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระพุทธญาณในวันนี้คงพูดเรื่องอุเบขาบรมีในช่วงต่อไปในย่าที่สามนั้นฉันใช้คำว่าโพชังคุเปกขาแปลการวางใจต่อสหชาตธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมกัน แล้วให้มีกำลังเสมอกันก็เป็นหลักการปฏิบัติในพุทธชงกคือองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัสรูธรรมเจ็ดข้อด้วยกันออถ้ากล่าวถึงกลุ่มธรรมจริงๆก็คือจิตสิกขากับปัญญาสิกขาเป็นธรรมะที่ตำนานเนี่ยถือค่อนข้างขลัง มันอยู่ในพวกครุภพวกกลุ่มเจ็ดตำนานสิบสองตำนานมีความเป็นมาว่าคราวหนึ่งพระมหากัตปะกับพระโมคขาลานะอาพาธพุจเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วก็ส่งแสดงโพชงก็สูรให้ฟังท่านทั้งสองก็เกิดธรรมปีติก็หายจากอาพาธ แล้วต่อมาพระพุทธเจ้าเองก็ทรงประชวรพระจุนทะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรก็มาสาธยายสาธยายก็คือท่องนะฮะคือท่องคือสวดโปรดชงให้ทรงสดับแล้วเกิดธรรมปีติก็หายจากทรงประชวรวันตานามความเป็นมาจึงค่อนข้างยิ่งใหญ่คือในทางที่จะบำบัดโรคเออที่จริงมันเน้นไปที่โรคจิตนะ แต่ว่าพระพุทธเจ้าพระหานเหล่านั้นไม่มีโรคจิตมันก็อาศัยถึงว่าธรรมปีติเนี่ยเป็นบรรเทาโรคทางกายได้ด้วยในความเป็นพจชงนั้นท่านเรียงเป็นลำดับเจ็ดอุเบขาเนี่ยอยู่ข้อที่เจ็ดแรกเรียกว่าสติสัมพชงกล่าวโดยสรุปก็คือการตั้งสติรละลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมมีสติรละลึกรู้เท่าทัน จนสามารถบรรเทาคำกับหนัดขัดเครื่องในอารมณ์เหล่านั้นลงไปแล้วก็เป็นธรรมะวิจยะสมพุชงองค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัดสรุธรรมคือธรรมวิจัยได้ แ, แก่การใช้สติปัญญาการเหตุผลยกธรรมะเนี่ยยกธรรมะขึ้นมาพิจารณาธรรมะที่ปรากฏแก่จิตเนี่ยขึ้นมาพิจารณา จนเข้าถึงความจริงแห่งธรรมะเหล่านั้นก็แล้วแต่จะยกอะไรนะการวิจัยธรรมะนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิจัยอะไรก็ตามเพราะว่าในการวิจัยก็คือการตั้งสติการตั้งความเพียรการใช้ปัญญาในตัววิจัยพอวิจัยไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็คือความเพียรพยายามเพียรพยายามในการวิจัยต่อเปลี่ยนพยายามในการวิจัยมันก็กลายเป็นสัมมาวยายมะ คือความพยายามในทางที่ชอบความพยายามในทางที่ชอบกล่าวโดยสรุปนะฮะก็คือป้องกันบาปละบาปจเจริญกุศลและรักษากุศลก็สรุปเมื่อทำไปเรื่อยๆเนี่ยธรรมะสามข้อนี้เรื่องใหญ่นะฮะผู้อกุศลก็ที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีโอกาสเกิดที่เกิดแล้วก็ลดลงผู้ ก, กุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะ รักษาไว้ทักรงอยู่แล้วเพิ่มพูนไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งท่านก็เกิดปิติคือความอึบอิ่มขึ้นมาภายในใจปิติก็แสดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งแต่บรรยายอบรมที่วัดว่าผู้แก้วซึ่งเป็นศูนย์อบรมเยาวชนก็ทำมาหลายปีแล้วห้าปีนี้เป็นปีที่หกลวมา พวกเด็กๆพวกนี้นั่งสมาธิเป็นนานก็จะเกิดปีติเกิดนิมิตเนี่ยแล้วก็แตกต่างกันเยอะเหลือเกินทีนี้พอปีติเนี่ยมันปีติมันจิตมันฟูเราดูแล้วคล้ายๆจะดีนะแต่ จ, จิตมันไม่สงบแะบมันฟูพอันถึงระดับหนึ่งมันก็กลายเป็นวิปัสสนุปกิเลสคือเป็นอุปกิเลสของวิปัสนาอาการก็ปีติคล้ายๆกันดีใจอะ ดีใจมากมันกระโดดลดเต้นก็ไม่เคยได้เรื่องแต่มันเป็นทางผ่านก็ต้องผ่านทางนั้นจากนั้นก็เป็นปัจสัทธิคือสงบกายก็สงบจิตที่จริงจิตนะฮะกันจิตอาการทางกายซึ่งมันสืบเนื่องจากปิติก็สงบจิตก็สงบพอสงบไปถึงจุดหนึ่งก็เป็นสมาธิทีนี้สมาธิที่จริงๆแล้วให้ลองสังเกตว่า เลปีติปสัสสธิสมาธิเบขาที่จริงก็เป็นฌานนะฮะเป็นองค์ฌานแต่ความเข้มข้นเ็ก็ต่างกันพระอาจารยก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันวางใจเป็นกลางพอมาถึงตรงนั้นอเบขามันก็เพ่งดูเพ่งดูเป็นการปรับสภาพของธรรมะกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าอินรีทีนี้อินรีเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหา ถ้าเราเรียนในภาคที่ที่นักเรียนเรียนจริงๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกความพร้อมนะฮะความพร้อมบางทีมันขาดความพร้อมเช่นว่าขาดความเชื่อมัน่นบางทีก็เชื่อมัน่นแต่ขี้เกียจบางทีไม่ขี้เกียจหรอกแต่มันก็เฟื่องไปหรือบางทีก็จิตใจไม่สงบ แต่บางทีก็สงบแต่มันสงบจนขาดปรามความความเพียรประคองก็กลายเป็นการเครื่มหลับไปคือธรรมะเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเขาเรียกมัชเชนธรรมหรือมัชชิมาปฏิปทาทั้งหมดก็อยู่ตรงกลางทั้งหมดนะคือเวียงไปซ้ายหน่อยก็ไม่ดีขวาหน่อยก็ไม่ดีก็ต้องอยู่ตรงกลางทีนี้ทํำยังไงจะให้เขาอยู่ตรงกลางได้มันก็ต้องมีการตรวจสอบที่เขาเรียกว่าส ช, ชาตธรรมคือธรรมะที่เกิดร่วมกันนะเกิดร่วมกัน ธรรมชาติชุี้าจะจริงๆก็จะเกิดร่วมกันแต่ว่าเวลาเราพูดเราอาจจะแยกมาพูดทีละข้อก็ได้คือศรัทธาความเชื่ออันอยังลงมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าจนเรียกว่าอาจารลัทธศรัทธาคือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะคูใครจะล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆให้เราปฏิเสธคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่ยอมไม่กลัว ก็มีความเชื่อมัน่นแล้วก็วิริยะคือความเพียรคือวิริยะเนี่ยไม่ว่าจะไปได้ยินที่ไหนนะคือนึกถึงสัมมาวยามะให้ได้ก็วิริยะก็หมายถึงสังวรประธานคือเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นปาณประธ า, านก็เพียรพยายามลดละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ด้วยการมองเห็นโทษของบาปที่ยังไม่เกิดมองเห็นโทษของบาปที่เกิดแล้วนะฮะเพราะยังไม่เกิดก็ป้องกันได้เกิดแล้วก็พยายามลดหลั่แล้วก็ภาวนาประทานคือเพียรเพิ่มภูนบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจพอมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาไว้นะฮะมันเหมือนกับสุขภาพภรรณาใหม่ภูมิต้านทานโรคความรู้ควา ม, วามสามารถฝีมือเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาไว้ที่รักษาไว้เนี่ต้องมาใช้บ่อยๆนะะต้องมาทําบ่อยๆต้องมีไว้บ่อยๆ แล้วก็พวกวิริยะคือความเพียรพยายามที่ที่ว่าไว้เนี่ยถ้าเราเพียรพยายามมากไปมันจะฟุ้งนะเช่นสมมุติว่านั่งสมาธิปวดแล้วปวดอีกปวดแล้วปวดอีกแล้วไม่ยอมลประเดี๋ยวก็ฟุ้งนะะเละมีพระเทระสมัยพุทธกาลองหนังพระโสนากริวิสาท่านเดินจงกรมจนเท้าแตก เลือดเลือดโชคหลานจงกรมพระพุทธเจ้าต้องสเสด็จต้องสเสด็จมาเตือนสติว่าเหมือนกับคนที่ดีดพินท่านเก่งทางดีดพินะเจ้าไว้นึกถึงดีดพินเนี่ยถ้าดีดตึงสายตึงเกินไปก็ขาดหย่อนไปก็ดีดไม่เป็นเสียงเพราะฉะนั้นเสียงต้องพอดีดันั้นมันก็จะมีธรรมะอีกข้อหนึ่ง ในเรื่องของศรัทธาเนี่ยจะเห็ยยนว่ามันจะต้องมีปัญญาเข้ากากับไม่ใช่คือวิริยะเนี่ยฮะวิริยะเนี่ยมันต้องมีสมาธิเข้ากากับก็ลืมลืมศรัทธาไปนะฮะศรัทธาเนี่ยมันต้องไปไปคู่กับปัญญาเราลองสังเกตว่าถ้าความเชื่อเราขาดปัญญาเป็นตัวนำมันจะงม ง, งายมันจะร่ายเหตุผลไม่มีเหตุผลอะไรเลย แต่เห็นว่าความเชื่อบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นมีคนก็มาสัมภาษณ์ที่เรื่องอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่า ง, งานั้นพระเจ้าเป็นอย่างนี้จะลงโทษมนุษย์อ ะ, ะไร <c ười> คือมันไปดึงปัญหาให้ท่านเนี่ยสมมติว่าท่านมีเนี่ยท่านก็มีปัญหาทัานทีได้เียนผู้ต้อโรคเอชเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมาลงโทษมนุษย์อ้าว แล้วไหนว่าพระเจ้ารักมนุษย์ไงแล้วลูกลูกมนุษย์บุตรมนุษย์มันผิดอะไรจึงต้องลงโทษให้เป็นโรคเอดสมันไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลเพราะว่าบางบางบา ง, บางทีเด็กเล็กๆในเกิดแรกขึ้นมาถึงเนี่ยอ่าแล้วพระเจ้าสร้างเองแล้วทําไมไปสร้างให้ติดโรคเอดอ่ะมันยุ่งไปหมดอะ่ะนั่นคือเราจะเห็นว่ามันเป็นความเชื่อที่ผอปัญญาเข้ากำกับแล้วมันจะมั่วไปหมดมันจะไม่มีเหตุผลอะไร แล้วก็มีเรื่องเป็นนั้นมากดังนั้นศาสนาพุทธจึงสอนให้บุคคลในพัฒนาปัญญาเกินไปจนปัญญาวินิจฉัยตัดสินเลือกเฟ้นก่อนที่จะเชื่ออะไรแต่ปัญญาเองก็มากไม่ได้ปัตบัญญามากศรัทธามันหยอด น, นะฮะปัญญาบันเฟื่องโดยเห็นว่าคนบางคนในพูดโดยไม่มีเหตุผลอะไร นะสดแสดงผูิบัญญาตัวเองว่าในภาคสนามนี่มันทำได้หรืออย่างนั้นะ่ะมันก็ทำไม่ได้แต่ก็พูดไปเพื่อเพอืไปอย่างนั้นเองวันก่อนก็ฟังก็ส่งเทปมาให้ฟังสองม้วนกาพูดเรื่องความบั้นคงของพระพุทธศาสนาก็ว่าเป็นตูกเป็นตะแล้วพูดใหญ่พูดโตเหลือเกินนะฮะบอกว่าโอ้ปัญหาเศรษฐกิจนี่เรื่องเล็ก ผมรับประกันว่าสามเดือนหกเดือนไม่เกินหนึ่งปีจะแก้ได้ก็อย่างนึกนะฮะยศเขาคนหนึ่งพันโทคนหนึ่งพันเอกแต่นั้นเองนะถ้าเก่งจริงเนี่ยยศคงไม่อยู่ขนาดนี้นะฮะอายุเยอะแล้วอันนี้คือคือสิ่งที่มันมันเฟื่องคือปัญญามันมากเกินไปก็กลายเป็นสติเฟื่องก็เรียกสติเฟื่องนะที่จริงปัญญามันเฟื่อง อย่าสมัยโบราณเนี็ยก็เรียกว่าพวกบ้าหนังสือใหญ่อะปัญญามากเกินไปในสุดก็พูดกับคนไม่รู้เรื่องเพราะตรงเนี้ยมันก็ตรวจสอบอุเบกขาเนี่ยเป็นที่จริงก็เพ่งดูเพ่งดูว่าอะไรมันเป็นอะไรคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆคนขับรถนะคล้ายๆคนขับรถแล้วก็ใส่ลมรถแล้วก็ตรวจสอบ ดูมันเป็นยังไงนะล้อหนึ่งเป็นยังไงล้อที่สองเป็นยังไงล้อสามเป็นยังไงล้อสี่เป็นยังไงก็ปรับปรับดูให้มันส่งเสริมสนับสนุนเขาเรียกว่าสม่ำเสมอกันในตอนนี้ก็คือถ้าหากว่ามันมีปัญหาก็ปรับทีนี้ถ้ามันเสมอแล้วก็ประคองประคองรักษาเอาไว้อย่างเสมอก็อแสดงอุเบกขาไม่จะอยู่นิ่ง แตดูคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับแมงมุมที่เคยอยู่ชักใหญ่แล้วก็อยู่ตรงกลางเอ่อถ้าไม่มีอะไรแกก็นอนโดยเฉยๆเกาะอยู่เฉยๆพอมีอะไรมากระทบแกก็วิ่งออกมาแล้วมาถึงตรงนั้นก็จะวินิจฉัยนะเช่นว่าเป็นสัตว์มาติดตาข่ายเนี่ยแกก็อาจจะกินอะไรแต่แลวแต่ การตรวจดูจิตในลักษณะนี้ก็ทําได้มันเกิดร่วมกันนะ่ะอันนั้นคู่หนึ่งนะศรัทธากับปัญญานี่ก็เกิดคู่กันคือต้องเรียกว่าเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันไม่ให้ยิ่งไม่หยอนศรัทธายิ่งไปมากไปก็งมงายปัญญามากไปก็เฟืง้งแต่ถ้าศรัทธามันก็ถูกประครับประคองด้วยปัญญาปัญญาก็ถูกประครับประคองด้วยศรัทธา คือเราจะไม่ทําอะไรนอกวิสัยเกินไปะวันก่อนก็มีนักศึกษาเข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ก็ถามเรื่องพวกอจินไตยบอกก็ห้ามคิดบอกว่าคือเราไม่สามารถรู้ด้วยการคิดมันเป็นประสบการณ์ตรงมันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นประสบการณ์ตรงก็ใกล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างนี้ให้คิดยังไง อธิบายได้ยังไงจึงจะตอบได้นอกจากเรากินเราเองทีนี้พว่าจินใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเช่นว่าอิทธิวิสัยเนี่ยเมื่อท่านฝึกตามกรรมวิธีให้เกิดฤทธิ์แล้วท่านมีฤทธิ์เองเนี่ยท่านก็รู้เองวอมเป็นยังไงลำดับขั้นตอนเป็นยังไงสภาพจิตเป็นเป็นยังไงแล้วกรรมวิปากวิสัยวิสัยของกรรมแล้วก็วิบากของกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องประสบผลกรรมเองแล้วก็เชื่อมโยง เนะชื่อมโยงได้วลักษณะไปอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นชาวบาเชื่อมโยงได้หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเป็นบิดถ่ายไม่ออกวัดอยู่บ้านนอกอะ่ะเลยก็เดินไปถ่ายในป่ากล้วยก็นั่งยองๆกำ บ, บังจะถ่ายมีเงาดำกระแทกท่านนั่งทับลงไปบนหน่อกล้วยเลยสวนเข้าไปลึกมากเลือดโชก ก็เรียกคนใหามาช่วยแล้วก็ให้ตัดหนอ่อกล้วยเหล่านี้ไปท่านก็ประชุมลูกศิษย์ก็ล่าใฟังวันนี้เป็นวิบากกรรมของท่านที่ท่านเคยทำเอาไว้นานมาแล้วสมัยหนุมน่มๆคือไปดักใส่ดักปลาแล้วก็มีคนแอบมากู้ถ้าปลาไปหมดมาก่อนท่านก็เรียกว่าพื้นยังเปียกๆอยู่เลยคือหนึ่งท่านก็มาแอบซุ่มอยู่ เพรามันกู้นะั่งทุบทุกยังไงมันก็ไม่ตายเลยก็เอายอดจากสวนทวารหนนะักตายแล้วก็ขุดหลุงฝังไว้ในน้ำมานะทั้งหมดมันอยู่ในน้าทั้งหมดกลางคืนทั้งหมดมันก็ไม่มีใครรู้แต่ท่านรู้จนในที่สุดใจไม่ส ง, งบก็ออกบวชท่านบอกเงานั้นก็คือเงาคนนั้นเลยเงาที่มาประทัดนั้นท่านจาได้เลยเป็นเงาของคนนั้น เดี๋ยวก็เล่าชี้นา้ไอ้ฟังเรื่องบาปรกรรมต่างๆเห็นไหมมันเป็นวิบากกรรมเพราะท่านสัมผัสเนี่ยท่านเชื่อมโยงกัท่านได้อันนี้มันมาจากนี้อันนี้มันมาจากนี้อันนี้มันมาจากนี้นะมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับความรู้ที่เรารูหนังสือมาแล้วพอเจอคำถามเราก็ตอบได้แต่ถามวันที่ตอบได้เนี่ยเราได้ความรู้เหล่านี้มาจากไหนก็คือกรรมที่เราเรียนมา เปียนเมื่อไรเราก็รู้ได้มันเป็นโงงได้เฉพาะตัวคนนั้นพวกอิทธิวิสัยกับมังกรวิสัยของท่านมีฤทธิ์ฤทธิ์แปลว่าความสําเน็จแต่นั้นเองแล้วคนปกฝึกปลื้มมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่เป็นธรรมดาสําหรับท่านมันไม่ใช่เรื่องพิเศษไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาแต่นั้นเองวรรธิมันก็มีอยู่เยอะนะฮะฤทธิ์มีอย่างสิบประเภทแต่จแต่พุท ธ, ธวิสัยก็เหมือนกันนะนะคนที่ รู้จักพระพุทธเจ้าชัดเจนดานั้นเองแล้วโดยเฉพาะอย่างองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ถ้าทําได้เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าทําไมท่านทําได้เพราะท่านเป็นพระพุทธเจ้าทําไมนกก็บินได้เพราะแกเป็นนกอย่างนั้นอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่เราต้องยอมรับสถานภาพตรงนั้นแล้วถ้าต้องการจะพิสูจน์ได้มันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่จะว่าห้ามคิดนะฮะคือถ้าใช้ลําพังคิดแล้วมันคิดไม่ได้นั้นพิสูจน์ไม่ได้ ตัวนี้เห็นไหมมันต้องมีปัญญาปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบว่าจริงเหล่านี้โดยวิอุบายวิธีอย่างไงจึงจะเกิดรู้จะเกิดเข้าใจทีนี้ตัวสมาธิเนี่ยไม่ใช่ตัววิริยะนะความเพียรเนี่ยกจะเห็นว่าถ้าเราเพียรมากไปเนี่ยมันจะฟุง้งมันจะไม่สงบแล้ววางทีก็ตะเลิดหายไปเลยนอนไม่ห ล, บลับด้วยถ้าสมาธิ ันสมาความเพียรเนี่ยมันก็จะสงบความเกียรครานทีนี้สมาธิเนี่ยมันต้องมีกําลังซึ่งสยบหรือสงบก็ได้นะะสงบเรียกว่าสงบความฟุ้งซ่านของจิตเคลียวกิจตะวิเคปะคือความฟุ้งซ่านสัดสายของจิตแล้วก็ก็ปรับดูจิตคือให้ศรัทธากับความเพียรไม่ใช่สมาธิกับความเพียรเนี่ยก็ไปด้วยกัน อาไปค้าก็เพ่งดูถ้าออไปด้วยกันได้ก็ไม่ได้หวาอะไรก็เฉยๆแต่พร้อมที่จะป ร, ะบรับเปลี่ยนลักษณะอย่างเนี้ยการมองอย่างนี้คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับเราให้ลูกเดินนะฮะคล้ยๆกับแม่พ่อแม่พี่เลี้ยงเนี่ย้เด็กกำลังเดินคือถ้าแกสอนเดินแล้วก็เดินคล่องกันไปเรืแล้วก็มองแกอย่างนั้นน่ะมองโดยมีสติสัมมาัญญาระลึกรู้เท่าทันถ้าเด็กก็มีข้าวจะหกล้มต้องรีบนะ จับให้ทันแต่ถ้าเธอเดินก็เธอได้ดีๆเราก็มองตามไปลึกๆเนี่ยมันก็รู้สึกพอใจนะฮะรู้สึกมุติตากเ็เถอแต่พร้อมจะปรับเป็นกรุณานะฮะพร้อมจะกลับเป็นกรุณาถ้าเธอมีข้าจะหกล้มแต่ว่าถ้าเธอเดินได้ดีเราก็มุติตาไปอุเบขามันก็แฝงอยู่ตรงนั้นแหละพอเธอจะหกล้มขึ้นมาก็เกิดกรุณา เห้นว่าจิตมันเปลี่ยนไมไม่ใช่ไปอยู่ไปอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นจิตมันเปลี่ยนไปตามจังหวะตามโอกาสพอมาถึงจุดหนึ่งเราก็เห็นว่าสมาธิกับความเพียรเนี่ยเขาเขาช่วยกันจิตมันก็เดินไม่ได้ดีใจมันกไออุบเบกขาก็กระพ่งโดแพ่งดูไปเฉยเฉยแต่พร้อมที่จะปรับสิ่งไหนมันตกลงไปก็พร้อมที่จะยกขึ้น เ็เรียกว่ายกจิตขึ้นจริงจริงจิตมันก็มีสมาธิสมาธิหย่อนเราเรียกว่ายกจิตขึ้นหรือว่าความเพียรชักจะมากก็ต้องขมลงมันชักจะฟุ้งก็ขมลงหรือว่าบางทีสมาธิเองนั่นแหละมันฟุ้งไปนะก็กดลงก็ขมลงมาหรือว่าสมาธิมันชักจะเคริมไปทางหลับก็ต้องยกจิตขึ้นมาถ้าไม่งั้นแกก็หลับ ก็เป็นอาการในภาคสนามคือภาคปฏิบัติที่ดูจิตแล้วก็แก้ไขปรับปรุงจิตก็ดูแล้วคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับคนขับรถนะนะคลายคนขับรถเราก็ปรับลอ้อต่างหลายในหะ้เรียบร้อยแล้วขับไปก็สังเกตไปด้วยนะสังเกตไปด้วยมีปัญหาอะไรมีเสียงอะไรผิดแปลกก็สังเกตไปดีนี้ถ้าปกติมันก็ไม่มีอะไรก็ขับไปเรื่อย นั่นก็คืออุเบกขาที่มันสูงขึ้นนะระดับระดับชงเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นนำจิตให้ดำเนินไปสู่ความสงบเพราะในตัวที่ทำหน้าที่หน้าที่ระลึกเนี่ยหน้าที่ช่วยอุเบกขาผู้ไงเาช่วยเบกขาเนี่ยเบกขาบงการปัญญานะก็คือสติเพราะว่าในอินทรีย์ห้าเนี่ยมันมีสติ แต่ว่าในพจนชงเราสังเกตว่าสติเขาอยู่ข้อแรกอยู่แล้ววิริยะเขาก็อยู่ในนั้นแล้วนะฮะธรรมวิจยะก็ธรรมวิจยะที่จริงก็คือปัญญาก็อยู่ในนั้นแหละหมายความว่าเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยธรรมะเหล่านี้เขาต้องผันนึกเป็นเนื้อเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆก็คือนี่ก็คืออริยมรรคแน่นอน เมื่อเขาปนึกเป็นเนื้อเดียวกันก็ทําหน้าที่คัดจับรรดาพวกกิเลสทั้งหลายกเกตค่อนข้างละเอียดนะฮะพวกกิเลสระดับละเอียดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าโพชฌงค์เระองค์ธรรมที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้จัสรุป ธ, ธรรมก็เจ็ดประการนะเจ็ดประการที่จริงก็คืออะไรก็คืออริยมรรคเทาไหร่ล่ะนี่มาห้าประการนะ น, นะเี่ว่าห้าประการก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นแหละ กุศลแธรรมทั้งหมดเนี่ยตื่นไม่ว่าเราจะเจอที่ไหนก็ตามกุศลแธรรมส่วนเหตุทั้งหมดก็คืออราริยมรรคในองค์แ ป, ประการเพียงแต่ว่าท่านจะเน้นไปในข้อใดเท่านั้นปริก็เรียกว่าเป็นโวหารเป็นโวหารเทศนามีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของโวหารที่ใช้สื่อสารตามสมควรแก่กรณีดังนั้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือ จะเรียกว่าทรงเคราะก็ไม่ได้นะมันก็เป็นนะเป็นอริมักมีองค์แปประการนั่นเองเพียงแต่ว่าระดับของความเข้มข้นมันก็มียิ่งมียอนแตกต่างกันอยู่แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันนะครับการเย็นเนี่ยความเข้มข้นอาการลักษณะความเย็นมันแตกต่างกันแล้วก็คือเย็นนั่นแหละทั้งฝั่งทั้งหลาย แต่รวพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี